เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าเมื่อนานมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่เกิดและก็ตอนนั้นเป็นสมัยปู่ของเราที่ยังมีเรียวแรงเดินเหินได้สะดวกสบายร่างกายยังไม่โทมมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ผีนางมโนราหน้าขาวอารวาส เราก็ยังฟังพ่อเล่ามาให้ฟังอีกทีหนึง่งซึ่งหมู่บ้านของเราตั้งอยู่กลางหุบเขามีภูเขาแทบจะล้อมรอบทุกด้านและด้านหนึ่งก็ติดกับเทือกเขาบรรทัดอันสูงใหญ่ที่แบ่งภาคใต้ออกเป็นสองฝั่งสำหรับวิถีชีวิตของคนยุคนั้นถ้าไม่ทำสวนยางก็ต้องเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อจะแลกข้าวกินสมัยนั้นป่าบรรทัดที่กั้นพัทลุงกับจังหวัดตรงังมีสัตว์ป่าชุกชุม ปู่ของเราเองก็ยังไม่ได้ลงหลักทำสวนยางเข้าป่าหาของป่าพวกไม้กฤิศนาหรือน้ำผึ้งเดือน5าพวกนี้จะมีราคาดีแต่ว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะมีพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์เป็นผู้ก่อการร้ายฝั่งทางพัทลุงพอถูกทางการกวาดล้างหนักก็พากันถอยร่นข้ามาฝั่งจังหวัดตรงังจนเมื่อสิ้นสุดยุคผู้ ก, ก่อการร้ายจานวนมากก็ได้เสียชีวิตแล้วก็ยอมแพ้ แต่ก็มีข่าวลือแพร่ะสะพัดในหมู่บ้านของเราเพราะว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คนหนึ่งหนีมาขออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขาได้รับบัตรเจ็บมาแล้วก็ตอนที่มาขอรักษาตัวแล้วก็มาขอหลบหนีเจ้าหน้าที่ทางการเขาก็ได้พุ่มเพ้อบอกเอาไว้ว่า ในป่าลึกของเทือกเขา น, นห่างจากหมู่บ้านของเราไปประมาณหนึ่งวันเดินเท้าจะมีถ้ำลับของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ขุดขึ้นใช้เป็นที่เก็บข้าวของเก็บทุนทรัพย์พวกเงินแล้วก็พวกทองเป็นลังๆเขาได้เล่าเพื่อตอบแทนคนในหมู่บ้านที่ให้ที่พักแก่เขาเพราะเขาคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดก็อยากให้ชาวบ้านพากันไปค้นหาเอา ปู่ของเราก็ได้ได้อยู่ในตอนนั้นด้วยแต่ว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คนนั้นดันรอดตายแล้วก็เดินทางออกจากหมู่บ้านไปมอบตัวแล้วก็ร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยพอเหตุการณ์ผ่านไปสองปีเขาคนนั้นได้กลับมาที่หมู่บ้านของเราแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยอีกสองคนพร้อมมาชักชวนคนในหมู่บ้านได้ไปอีกห้ากคนปู่เราก็ถูกมาชวนด้วยแต่ปู่ไม่เอาด้วยเพราะว่าไม่ได้สนใจในทรัพย์สินพวกนั้นพวกเขาก็ไปกันเอง ปู่บอกว่าหายกันไปร่วม7วันก็ยังไม่กลับออกมาพวกลูกเมีายญาติพี่น้องของคนในหมู่บ้านที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็กังวลใจเกิดความร้อนใจขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มาหาปู่เพราะรู้นะคะว่าปู่เนี่ยเป็นคนมีวิชาเดินป่าเข้าป่าหาของป่าอยู่บ่อยครั้งพอปู่เห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยรับปากออกร่วมเดินทางกับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แกะรอยเข้าป่าไปประมาณ6คน ปู่เป็นคนที่สะกดรอยเก่งแล้วก็ใช้เวลาร่วมสามวันก็พากลุ่มคนที่ค้นหาไปเจอถ้ำลับของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นที่เคยเล่าให้ฟังอย่างยากลำบาก เพราะว่าตอนเดินทางเข้าไปในป่าเนี่ยมันไม่ได้เดินทางเข้าไปแบบสบายเหมือนเดินปิกนิกตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่ปู่บอกว่าพอเข้าไปทุกคนก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าในถ้า ม, มีแต่กลิ่นคาวเลือดแล้วก็เหม็นเน่าโชยออกมาถ้ำนั้นเป็นถ้ำที่ถูกขุดเจาะเข้าไปในหินของภูเขาปากถ้าพอจะสว่างแต่ว่าด้านในมืดทึบ ตรงด้านหน้าก็รกมากเพราะว่ามีการเอาพวกรากไม้แล้วก็เถาวันมาอำพรางไว้มีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะที่ทําจากไม้ท่อนวางอยู่หน้าถ้าในความเลือนลางของปากถ้าก็มีร่างร่างหนึ่งซึ่งการแต่งตัวก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปนอนคว่ำหน้าที่ด้านหลังมีมีดปักอยู่ที่ก้านคอทุกคนก็กลูเข้าไปมุงดูปู่เป็นคนไปจับศพคนแรกก็พบว่าเป็นศพของลุงจึง ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่ตามอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คนนั้นมาสภาพศพของลุงจึ้งนั้นปู่บอกว่าเหมือนคนกําลังพยายามหนีอะไรบางอย่างออกมาจากด้านในาดูได้จากสภาพศพก็คือคงถอดรองเท้าทิ้งเพื่อที่จะวิ่งได้เต็มที่แต่ก็โดนมีดเล่มนั้นปักเข้าที่คออย่างแรงจนทะลุลูกกระเดือกออกมาแล้วลุงจิงก็คงจะล้มลงขาดใจตายที่ตรงนั้น สภาพศพคือบวมอืดแล้วก็เน่าเหม็นมีรอยกัดแทะแหว่งไปบางส่วนจนบางคนก็พากันออกไปยืนอ้วกหน้าถ้ำปู่บอกว่าลุงจิ้งนั้นถูกชวนมาแทนปู่เพราะว่าเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเก่งเท่าปู่พอปู่ไม่ร่วมทางมาด้วยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คนนั้นก็เลยสอบถามคนในหมู่บ้านจนไปได้ลุงจิ้งแทนซึ่งตอนนั้นปู่ก็ไม่รู้สาเหตุหรอกว่าทําไมต้องเอาคนมีวิชาอาคมมาด้วยก็แค่กลับมาเอาทองของพวกตัวเอง พอปู่สำรวจศพลุงจึงเสร็จก็พบว่าในย่ามประจําตัวของแกมีทองแท่งเล็กๆอยู่สี่แท่งพอจับออกมากระทบแสงไฟฉายแวววับก็ส่งปู่ก็ส่งให้ทุกคนจับดูทุกคนก็ลืมกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็มายืนจับทองคำแท่งเล่นกันไปหมดตอนนั้นปู่เสนอทุกคนว่าอย่าเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเอาทองกลับไป ปู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตายกันหมดแล้วล่ะแต่จริงคงเป็นคนสุดท้ายที่รอดอยู่ตอนนั้นและพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเลยต้องมานอนตายอยู่ตรงนี้เป็นคนสุดท้ายปู่ก็เลยชวนทุกคนกลับหมู่บ้านเพื่อไปส่งข่าวแก่ญาติพี่น้องของเขา ก็มีการตกลงกันบอกว่าศพคนตายที่ตายอยู่ที่นี่เนี่ยจะเอาอย่างไรดีบางคนก็บอกว่าก็แล้วแต่เสียงส่วนใหญ่ว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าถ้าจะให้แบกเนี่ยก็คงไม่แบกนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นแบกก็แบกไปเลยลำพังแค่เดินขึ้นเ ข, ขามาเนี่ยก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว คนหนุ่มสี่คนก็มองหน้ากันค่ะแล้วก็มองไปที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเองแกก็คุ้นคิดอย่างหนักอยู่พักใหญ่อาจจะเพราะว่าใจนึงก็อยากทําตามคําพูดของปู่เพราะว่าการจะแบกศพคนตายมาเนี่ยน่าจะหลายวันทงเทงทงเทงกลางป่าเพื่อกลับไปให้ญาติในหมู่บ้านได้ดูมันก็หนักหนาพอดู6คนต่อ6ศพ ก็น่าจะตายหมดแล้วกับการหามออกจากป่าเป็นอะไรที่ไม่น่าทำอย่างยิ่งครั้นจะออกไปตามหาคนมาหามก็จะเป็นการยุ่งยากซะเปล่าเสียเวลาทำมาหากินลุงผู้ใหญ่ก็เลยเสนอบอกว่าเอาแบบนี้ดีไหมเราช่วยกันหามศพเพื่อนบ้านของเราที่มาเสียชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยออกไปที่หน้าถา้าแล้วก็เผาจนเหลือแต่กระดูกแล้วก็เก็บเอาเท่ากระดูกเนี่ยกลับบ้านไปด้วยเพื่อที่จะไปให้ญาติพี่น้องเขาทาพิธีดีไหม ทุกๆคนเห็นด้วยค่ะว่าควรปักหลักเผาศพคนในหมู่บ้านที่หน้าถ้าให้หมดก่อนแล้วก็เอากระดูกกลับไปบำเพ็ญกุศลศพก็เลยพากันปักหลักห่างจากปากถ้ำประมาณ100เมตรปู่บอกว่าในความรู้สึกของปู่ตอนนั้นมันมีความกังวลใจอยู่ลึกๆแต่ปู่ก็ไม่รู้จะบอกคนอื่นยังไงกลัวคนอื่นๆจะหาว่าปู่เนี่ยขี้ขาดเกินไปแล้วก็ไม่รักพี่น้องร่วมหมู่บ้าน ทุกคนช่วยกันตัดไม้แล้วก็ใบไม้บริเวณนั้นมาสร้างเป็นเพิงพักกันน้ำค้างใกล้กันกับกองหินใหญ่ตรงนั้นก็มีต้นเหลียงแล้วก็เป็นต้นใหญ่ด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่ พร้อมกับวางข้าวของเอาไว้แล้วก็ช่วยกันหาไม้แห้งเท่าที่จะหาได้มาก่อกองฟอนเผาศพตะจึงที่ใกล้ๆหน้าถ้าเป็นศพแรกแล้วก็กว่าไฟจะกินเนื้อเน่าๆของศพแกหมดก็ย่ำค่าก็พักกินข้าวกันแต่กลืนกันไม่ค่อยลงเพราะว่ากลิ่นศพนี่มันอบอวนและภาพตอนศพโดนไฟเผาเนี่ยมันก็ยังคงติดตาอยู่ก็เลยกินได้แค่คนละนิดคนละหน่อยน้ําท่าก็ไม่ได้อาบกันเพราะว่าลําธารเล็กๆสายหนึ่งนั้นอยู่ไกลาจากจุดนั้นพอสมควร ก่อนนอนปู่ก็ทำพิธีขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางผีเจ้าถิ่นเพื่อนอนที่นั่นทุกคนนอนในเพลิงไม้สดชั่วคราวค่ะผลัดกันนอนแล้วก็ผลัดกันตื่นมาดูรอบๆโชคดีที่ช่วงนั้นไม่ใช่หน้าฝนก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากฝนตก ปู่ว่าในช่วงที่ปู่หลับนั้นปู่ก็ฝันว่ามีผู้ชายตัวสีแดงร่างใหญ่มากเดินเข้ามาหาปู่หน้าตาก็นิ่งๆแต่ว่ามีหนวดมีคราวสีขาวล้วนเข้ามาถามไถ่พอจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลักๆ ก, ก็คือมาบอกว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าไปหยิบเอาทองคำทรัพย์สินในถ้ำนะเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนเนี่ยฉันมาเตือนเพราะเห็นว่าพวกเธอมีความเคารพยำเกรงให้ฉัน พอแค่นั้นแหละนะคะคนร่างแดงในฝันก็เดินหายเข้าป่าไปแต่ปู่ก็ไม่ได้ตื่นอะไรหรือยังไงก็ยังคงฝันต่อไปอีกบอกว่าพอเว้นช่วงจากฝันเห็นคนร่างใหญ่สีแดงมาเตือนก็ยังฝันเห็นอีกว่าตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปในถ้าคนเดียวพอเดินไปถึงปากถ้ำก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งยืนดักอยู่ปากถ้ำหน้าตาขาดุมากและดูไม่พอใจที่ปู่เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็ขู่ เป็นเชิงเตือนนะคะบอกว่าฉันไม่ว่าอะไรให้พวกเธอดอกที่พากันมาเอาศพพวกเนี้ยในถ้าไปเผาแต่ฉันขอเตือนก่อนนะห้ามใครหยิบอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวจากถ้ำออกไปทําไม่อย่างนั้นฉันจะตามฆ่าให้หมดจําคําที่ฉันบอกให้ดีเมื่อตื่นมาตอนเช้าปู่ก็เล่าเรื่องความฝันให้ทุกคนฟังแล้วก็เตือนทุกคนว่าอย่าไปหยิบฉวยอะไรในถ้านั้นมาเป็นของตัวเองเพราะว่าเจ้าของเขาห่วง แล้วก็วิญญาณที่นี่แรงมากแถมไม่ได้มีแค่ดวงเดียวพอทําธุระส่วนตัวกันเสร็จแล้วค่ะปู่ก็เป็นคนไปทําพิธีเก็บอัฐิตาจึงใส่ผ้าที่ตัดมาจากผ้าเข่ามะเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาทุกคนก็ยืนสงบนิ่งไว้อะไรมีดเล่มที่ปักก้านคอตาจึงจนตายนั้นปู่จับดูเห็นอักขาระอาคมก็เลยรู้ค่ะว่ามันเป็นมีดของตาจึงเองไม่ใช่ของใครมีดตัวเองปักคอตัวเองแท้ๆปู่เดาเรื่องราวไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้น ก็ยื่นมีดเล่มนั้นให้กับผู้ใหญ่บ้านถือไว้แล้วบอกผู้ใหญ่บ้านว่าคนหนุ่มอีกคนรอด้านนอกส่วนปู่กับคนหนุ่มอีกสี่คนจะเข้าไปดูด้านในปู่ถามความสมัครใจว่าใครอยากเข้าไปบ้างขอคนที่มีความพร้อมนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันคงจะมีภาพที่แบบว่าน่าสะอิดสะเอียน เพราะว่ากลิ่นที่โชยออกมานี่มันฟ้องอย่างหนักเลยว่ามันมีความเหม็นเน่ามีความอะไรน่าจะขึ้นอืดหรือไม่ก็คงเน่าเปื่อยไปแล้วพอตกลงกันได้ปู่ก็สั่งผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าพวกฉันไม่กลับออกมาภายในหนึ่งชั่วโมงให้กลับไปแจ้งข่าวกับคนในหมู่บ้านได้เลยแล้วไม่ต้องพากันตามหาพวกฉันอีกปู่ก็นําคนหนุ่มทั้งสี่คนเนี่ยนะคะเข้าไปในถ้าค่ะ ก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายแค่พอให้สองคนเดินคู่กันเข้าไปได้ผนังถ้ำก็แห้งๆไม่มีความเรียบเพราะว่าน่าจะเป็นการใช้คนขุดทุกคนก็ช่วยกันสาดไฟฉายเพื่อดูยิ่งเดินเข้าไปลึกก็ยิ่งอึดอัดมีข้าวของเก่าๆวางอยู่บ้างตามพื้นกลิ่นเหม็นเน่าก็เริ่มรุนแรงแล้วก็สาบสางโชยออกมาไม่หยุดจนคนหนึ่งบ่นออกมาบอกว่าโอ้เหม็นจะตายโงทุกคนต้องเอาผ้าขามาตัวเองขึ้นมาปิดจมูกค่ะแล้วก็ปู่เนี่ยก็ไปเจอ ซึ่งอยู่ในถ้านะคะแต่ว่าเป็นห้องที่มีลักษณะกว้างมีอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้วางเต็มไปหมดทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีฝุ่นเกาะเต็มบางชิ้นก็เหมือนมีรอยมือคนจับเมื่อไม่นานมานี้เองก็น่าจะเป็นรอยมือของคนกลุ่มก่อนที่มาก่อนหน้านี้นะคะปู่เองก็กวาดไปฉายดูรอบห้องเห็นว่ามีปล่องเล็กๆเจาะขึ้นไปในหลายๆด้านทางด้านบนน่าจะเป็นรูระบายอากาศของถา้า ในถ้ำก็จะมีเครื่องที่มีพวกสนิมเคลอะก็น่าจะเป็นพวกเครื่องปั่นไฟค่ะตั้งอยู่ตรงกลางถ้าเพราะว่าเห็นมีสายไฟเก่าๆเชื่อมออกมาจากเครื่องนั้นหลอดไฟก็ยังคงมีอยู่ทุกคนก็เลยช่วยกันส่องไฟแต่ว่าก็ยังไม่ยอมแตกกลุ่มปู่เองก็ยังเห็นมีทางเดินต่อไปก็เลยเดินนาหน้าเข้าไปพอเข้าไปถึง แสงไฟกระทบก็พบความสยดสยองค่ะศพทุกศพนอนตายขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนภายในถ้าจนบางคนต้องยืนอ้วกฝูงมแมลงเกาะศพกระจายหึ่งอยู่เมื่อปู่เข้าไปใกล้ปู่ก็เลยเดินไปสํารวจที่ศพแต่ละศพศพหนึ่งเนี่ยแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ที่ปู่จําได้ว่าคืออดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คนนั้นที่เป็นคนมาชวนทุกคนกลับมาเอาสมบัติพร้อมกับนอนคว่ำหน้าขึ้นอืดในมือขวาก็กําปืนพก ปลอกกระสุนนี่ตกเกลื่อนห้องที่ขมับขวาก็มีรอยเจาะของกระสุนส่วนศพอื่นๆนะะบางศพถูกยิงบางศพมีรอยมีดปาดคอในห้องนั้นก็จะมีลังไม้ลังเหล็กตั้งอยู่หลายลังเลยทีเดียวลังหนึ่งก็จะมีรอยเปิดฝาทิ้งไว้มีทองคําบางส่วนกระจายอยู่ที่พื้นปู่เข้าไปดูเนี่ยทุกคนร้องบอกฮู้เพราะว่าไม่เคยเห็นทองคาแท่งมากขนาดนี้ ปู่บอกว่าบนทองมีภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยประทับอยู่ปู่ก็ไม่รู้ว่ามันคือภาษาอะไรกันเพราะว่าปู่ไม่คุ้นชินถ้าเป็นบาลีสันสกฤตอันเนี้ยปู่ถนดัดคนอื่นๆก็ไปเปิดลังอื่นๆที่ตั้งอยู่ในห้องดูนะคะก็มีทั้งเงินเอ้ยอาวุธเอ้ยอาหารกระป๋องเต็มไปหมดปู่ได้แต่พร่ำบอกทุกคนว่าพวกมึงอย่าเที่ยวลักนะหยิบเอาของคนอื่นไปนะไม่งั้นได้นอนตายเหมือนพวกนี้นะทุกคนก็รับทราบนะคะ พอได้เห็นความสยดสยองที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะคว้าเอาอะไรไปปู่เองเป็นคนสํารวจศพก็พบศพของคนในหมู่บ้านอีก4ี่ศพก่อนจะหันหน้าไปถามคนหนุ่มที่มาด้วยกันด้วยความสงสัยบอกว่าเออตอนนี้มันมาเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าคนบ้านเรามันมากันกี่คนกันแน่ปู่ถามพวกคนหนุ่มที่เข้ามาในถ้ำด้วยกันกับปู่คนหนุ่มก็ตอบปู่บอกว่ามากัน6คนนี่รวมคนอื่นสามรวมทั้งหมดก็9ปู่ก็บอกว่า แล้วศพไอ้จึ้งที่นอนอยู่หน้าถ้าในนี้อีก7คนบ้านเราสี่แล้วหายไปไหนหนึ่งอะคนอื่นช่วยกันนับแล้วก็พยายามหาแต่ก็หาศพไม่เจอนะคะแต่คนหนุ่มคนนึงที่แยกออกไปด้านหลังก็ร้องลั่นตกใจวิ่งตีนแตกออกมาบอกว่าเฮ้ยเฮยเจออะไรเจออะไรทุกคนก็บอกว่าเอาละเอาละเอาละมึงเจออะไรมาไหนเล่าให้ฟังหน่อยปู่เนี่ยก็เลยเดินไปส่องไฟเดี๋ยวก็พบว่า มีโครงกระดูกคนเป็นลักษณะเก่าแล้วนอนกองอยู่ที่พื้นแบบพับกันมาหลายโครงเลยล่ะค่ะกระดูกแล้วก็หัวกระโหลกเป็นท่อนสีขาวโพลนมีเศษดินเกาะแต่อีกโครงหนึ่งกำลังนั่งพิงผนังถ้าข้างตัวเนี่ยมีปืนกลตกอยู่แล้วก็บนศพที่นั่งนั้นก็มีมีดสั้นคาอยู่ที่ซี่โครง ปู่ไม่อาจเดาเหตุการณ์ได้ก็เลยได้ทำการขนศพเพื่อนบ้านที่นอนตายอืดทั้งหมด4ร่างนั้นออกไปเผานอกถ้ำเป็นการเผาศพในคราวเดียวต้องขนฟืนกันเหนื่อยหนักเพราะว่าการจะเผาให้หมดเนี่ยต้องใช้ไม้ค่อนข้างเยอะเรียกว่าไม้แห้งบริเวณนั้นไม่มีเหลือสักดุนเดียวเพราะว่าโดนขนมาเผาศพจนเรียบนะคะปู่บอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าอีกศพหาไม่เจอไม่แน่ว่าอาจจะหนีรอดไปได้ ตกลงคืนนั้นก็ต้องนอนตรงนั้นอีกคืนค่ะเพราะว่ากว่าจะเผาศพได้ทั้งหมดสี่ศพเนี่ยก็กินเวลาไปทั้งคืนเลยแล้วก็ทั้งวันด้วยส่วนศพพวกที่เหลือนั้นปู่เนี่ยไม่นาพามาเพราะว่าปล่อยให้เน่าคาถ้ำไปคืนนั้นทุกคนเลยนอนที่เพิงไม้สดอีกคืนหนึง่งเมื่อตกดึกขณะที่ปู่กำลังนั่งเคลิ้มๆที่คนต้นเรียงใหญ่นะคะปู่ก็ได้ยินเสียงลอยลมมาเป็นเสียงร้องไห้ ปู่หันไปมองยันจุดที่เผาศพที่ยังมีฐานแดงวับวบแวมอยู่ปู่ก็เห็นว่ามีเงาสีเงาเนี่ยกำลังนั่งร้องไห้ส่งเสียงอย่างน่าเวทนาปู่จ้องมองนานเข้าเงาที่ว่าก็เหมือนจะพากันเดินตรงมาที่ปู่ปู่บอกว่าปู่ไม่ได้กลัวพวกนั้นแต่ปู่กลัวคนที่นอนอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาเห็นแล้วก็จะขวัญผวาปู่เองก็เลยพูดเบาๆบอกว่าไม่ต้องเดินเข้ามาพวกนี้มันขี้ขลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพากลับบ้านไม่ต้องเดินเข้ามานะรออยู่นั่นแหละ แล้วเงาเหล่านั้นก็เลยพากันเดินกลับไปที่เดิมแล้วก็หายไปปู่รู้ปู่ว่าไม่รู้นะคะว่ามันร้องไห้เสียใจที่ตายหรือว่าดีใจที่จะมีคนพากลับบ้านแต่คงน่าจะดีใจมากกว่าเพราะว่าปู่ว่าถ้าคนตายโงไม่มีคนเชิญวิญญาณก็จะไปไหนไม่ได้ก็ต้องเฝ้าตรงนั้นไปแบบอดอดยากๆจนกว่าจะสิ้นกรรมยิ่งดึกน้ำค้างก็ยิ่งลงอากาศเย็นแล้วก็หนาว ปู่นั่งหาวนอนอยู่หลายครั้งแล้วนะคะข้างกองไฟใต้ต้นเรียงใหญ่คนเดียวเหลียวมองไปรอบทิศทางก็ได้ยินเสียงหมาป่าหมาในหอนแววมาแต่ไกลเสียงสัตว์หากินกลางคืนก็ดังสลับยอดไม้โดนลมพัดเสียงดังซู้ซ่าจนกระทั่งปู่เองนะคะก็แอบหลบไปอีกคำรบหนึ่งแล้วก็จบด้วยการฝัน ในฝันเนี่ยปู่บอกว่าเห็นผู้ชายตัวแดงหนวดคราสีขาวร่างใหญ่คนเดิมเดินมาหาข้างๆกันเนี่ยมีผู้ชายที่ชื่อว่าบ่าวกริซึ่งร่วมขบวนมาเอาสมบัติแล้วก็เป็นคนที่ไม่พบศพในถ้ำเดินตามมาด้วยพอมาถึงบ่าวกริดก็นั่งคุกเข่าลงข้างๆชายร่างแดงก็พูดออกมาบอกว่าเอานี้พามันกลับไปด้วยกูพามันมาส่งชายร่างแดงก็เลยเดินผ่านไปอีกด้านหนึ่ง ในฝันปู่ถามว่าบ่าวกริดที่นั่งคุกข่าร้องไห้อยู่เนี่ยไปมากมายเลยซึ่งตื่นขึ้นมาปู่ก็จำไม่ได้ว่าถามอะไรบ้างรู้แค่ว่าคุยกันเยอะมาก แต่หลักๆคือบาวกริตไม่ได้ได้เล่าให้ฟังนะครบอกว่าเข้าไปในถ้าแล้วมีคนถูกผีเข้าลงมือฆ่าทุกคนทิ้งตัวเองกับตาจิ้งเนี่ยก็เลยวิ่งหนีออกมาได้ได้ทองติดตัวมาคนละ 3-4 สีแท่งแต่ว่าตาจิ้งนั้นแก่กว่าเลยวิ่งตามบาวกริตไม่ทันบาวกริตหลุดออกจากถ้าได้ก็วิ่งแบบไม่เหลียวหลังรู้ตัวอีกทีนึงคือวิ่งไปไกลแล้วจนไม่เห็นใครตามมา บากริดไม่ใช่คนชำนาญป่าก็เดินเร่ร่อนตะโกนขอความช่วยเหลือไปเรื่อยเปื่อยจนเหนื่อยนอนก็นอนไม่ค่อยจะได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรเลยนอกจากตัวเปล่าๆกับเสื้อผ้านะคะแล้วก็ทองอีก3าแท่งในกระเป๋าเดินออกไปได้ราว2คืนก็ไปตกหลุมที่อยู่กลางป่าตรงไหนสักแห่งหนึ่งในป่านี้ หลุมนั้นทั้งลึกแล้วก็ทั้งแคบตัวเองขยับไปทางไหนก็ไปไม่ได้ได้แต่ร้องไห้ก่อนจะตายอย่างทรมานในหลุมที่เป็นปล่องที่ว่านะคะพอตายถึงขึ้นได้มายืนอยู่ที่ปากปล่องแต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนเดิมจนเจอร่างคนตัวใหญ่สีแดงผ่านมาก็เลยยกมือไหว้ขอความช่วยเหลือเขาก็กรุณาเดินตามมาแล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยตามมาช่วยอยู่ที่ปากถ้าก็เลยตามเขามา นี่คือเหตุการณ์คร่าวๆของการฝันนะคะที่ปู่พอจะเรียบเรียงได้เพราะว่าฝันไม่ใช่นิมิตการจะทำอะไรตามใจคิดจึงทำได้ไม่ค่อยสะดวกค่ะความฝันมันโดดไปโดดมาบางครั้งมันก็เลือนตา ปู่รู้แล้วว่าวิญญาณบ่าวกฤิมาอยู่แถวนั้นแล้วพอตอนเช้าปู่ก็ทําพิธีเก็บอัฐิของคนที่เหลือทุกคนพร้อมกับทําพิธีเชิญดวงวิญญาณของทุกคนกลับบ้านด้วยกันในส่วนศพของบ่าวกฤินั้นคงไม่ต้องไปเสียเวลาตามหาเพราะว่าถ้าตกลงไปในปล่องลึกกลางป่าก็จนปัญญาที่จะเอาขึ้นมาก่อนจะกลับออกจากตรงนั้นปู่ก็ยังมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าสัมผัสได้ถึงความอึดอัดบางอย่างแผ่ออกมาจากในถ้ำ ปู่ให้ทุกคนช่วยกันพรางปากถ้ำด้วยวัสดุธรรมชาติทุกอย่างที่พอจะทําได้แล้วก็เอามากองปิดปากถ้ำไว้อย่างน้อยนะฮะก็ป้องกันเอาไว้เผื่อว่าในอนาคตมีชาวบ้านผ่านมาหาของป่าทางนี้แล้วจะได้ไม่เห็นปากถ้ำปู่เองก็มีความสามารถในการผูกหุ่นพยนต์อาคม ปู่ก็เลยจัดการเอาผงกระดูกจากทั้งห้าศพของชาวบ้านนั่นแหละนะคะเป็นวัตถุดิบปั้นเข้าด้วยกันกับดินเหนียวก่อนจะเศษคาถากำกับเอาหุ่นพยนต์ตั้งไว้ต้นเรียงให้หันหน้าไปทางปากถ้ำปู่ก็พาทุกคนเดินกลับบ้านปู่เองก็เป็นคนนำทางเดินบ้างหยุดพักบ้างเนื้อตัวก็เหม็นตลบอบอวนเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแต่ละคนก็อยู่ในสภาพมอมแมม ปู่เองก็เป็นคนเก็บอัฐิของชาวบ้านในหมู่บ้านที่เสียชีวิตไว้ในย่ามทุกคนนอกจากนี้ปู่ก็ยังเก็บเอาผงขี้เถ้าจากเชิงตะกอนเผาศพติดมาด้วยนะคะปู่บอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บติดมาด้วยหรอกแต่ว่ามันมีความรู้สึกสังหรณ์ใจแบบบอกไม่ถูกเลยเอามาด้วยไปงั้นๆแต่มันก็เกิดความประหลาดขึ้นค่ะเพราะว่ามีหลายต่อหลายครั้งที่ปู่พาทุกคนเดินวนกลับมาทางเดิมจนพวกคนหนุ่มๆเนี่ยตกใจแล้วก็บอกว่าพอเท่านี่มันทางเดิมนะ ปู่ก็บอกว่าเออนี่อะไรวะกูไม่น่าพลาดแบบนี้เลยนี่หว่าพ่อบอกเราว่าการเดินวนกลับที่เดิมในครั้งนั้นปู่บอกไว้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของปู่ก็ว่าได้ค่ะนับตั้งแต่เติบใหญ่ที่เดินหลงป่าปู่เองก็ต้องพยายามพาทุกคนเดินไปข้างหน้าได้ทุกครั้งแต่ก็เสียเวลาไปไม่มาก สำหรับป่าในภาคใต้นั้นมักจะเป็นป่าดิบชื้นมีความรกเรื้อสูงในถิ่นที่ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านไปไม่ใช่ป่าที่เหมาะจะเดินเล่นๆกันนะคะปู่ก็เลยพาทุกคนเดินถึงจุดที่มีลำธารเล็กๆท้องฟ้าก็เริ่มมืดเพราะว่าอยู่ในป่ามันก็มืดไวกว่าปกติก็เลยพาทุกคนไปตั้งจุดนอนใกล้ๆกันกันกบธารน้ําเล็กๆนั้นเพื่อให้ทุกคนได้อาบน้ํากันปู่ก็ไปเจออีกด้านหนึ่งที่เป็นเวิ้งถ้าเล็กๆค่ะก็เลยพากันไปนอนตรงนั้น ก่อกองไฟตั้งไว้ด้านหน้าหุงหาอาหารแบ่งกันกินแล้วก็พูดคุยกันเรื่อยเปื่อยปู่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยแล้วก็อยากกลับถึงบ้านไวๆปู่ก็เลยต้องพูดให้กำลังใจคนที่ตามไปด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านเองก็ขอบคุณปู่ที่ร่วมเดินทางมาด้วยไม่งั้นคงหมดท่าหมดปัญญาตามหาจนเจอแบบนี้ก่อนนอนคืนนั้นปู่ทาพิธีกั้นเขตอาคมไว้ที่รอบปากถ้าก็มีคนถามาค่ะบอกว่าปู่ทาอะไรปู่ก็บอกว่า ขอทำไว้นิดนึงเถอะไม่ทำแล้วมันไม่สบายใจมันรู้สึกแปลกๆใจยังไงก็ไม่รู้คนหนุ่มๆนัน้นสนใจในเรื่องวิชาอาคมของปู่มากค่ะหลายคนในหมู่บ้านรับรู้ว่าปู่เนี่ยมีดีด้านนี้เพราะว่าเป็นสิทธิ์สำนักวัดเขา อ, อ้อตัวปู่นั้นก็เต็มไปด้วยอักษรเลขยนันที่ได้รับการสักมาโดยตรงจากสำนักวัดเขาอ้อในยามของปู่ก็จะมีพวกเครื่องรางของขลังอยู่ที่แม้แต่พ่อเองก็ไม่เคยได้เห็น พ่อบอกว่าถ้าปู่ไม่เอาออกมาให้ดูไม่มีใครกล้าไปยุ่งแม้แต่พ่อเองนะคะปู่นั้นเป็นคนใจดีค่ะแต่ถ้าหากว่าไปยุ่งกับย่ามส่วนตัวปู่จะโกรธมากพ่อบอกว่าปู่เป็นคนอยู่ยงคงกระพันเพราะเคยเข้าพิธีอาบน้ําว่านมาแล้วที่พ่อกล้าพูดเพราะว่าพ่อเคยเห็นมาแล้วเมื่อครั้งหนึ่งที่ปู่ไปกับพ่อเนี่ยนะคะแล้วก็เจอโจรดักปล้นกลางทางปู่สู้แล้วถูกโจรเอาดาบยาวเนี่ยฟันเข้าเต็มกลางหลังขาดแต่เสื้อค่ะแล้วก็มีรอยช้ําของคมดาบ แต่ว่าคมดาบนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเนื้อหนังของปู่ได้เลยปู่บอกนะคะบอกว่าวิชาพวกนี้มันจะขลังมากขลังน้อยก็แล้วแต่การปฏิบัติตัวแล้วก็จิตของแต่ละคนปู่นั้นบอกไว้เสมอว่าในรุ่นของปู่ที่ได้เรียนวิชาเหล่านี้มาปู่เป็นคนด้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเพื่อนอีกสองคนที่อยู่ที่พัทลุงและอีกคนที่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนแล้วปัจจุบันนี้ วิชาถนัดของปู่ก็คือการเสกหุ่นพยนต์ซึ่งพ่อเคยขอให้ปู่สอนแต่สุดท้ายปู่ก็ไม่เคยสอนอะไรจากให้กับพ่อเลยนะคะปู่บอกว่าตอนแกดัน้นด้นไปเรียนมาได้รับปากพระอาจารย์ไว้แล้วว่าจะไม่ถ่ายทอดให้ลูกหลานคนใดเพราะถ้าใครอยากได้จริงๆก็ต้องเดินทางไปขอเรียนเอง ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสำนักวัดเขาอ้อก็ไม่มีผู้ที่จะถ่ายทอดได้อีกแล้วคนสุดท้ายของสายเขาอ้อที่พอจะถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์คนอื่นได้ก็คือพระอาจารย์นำแห่งวัดดอนสาราที่ท่านมรณภาพไปแล้วค่ะคืนนั้นทุกคนนอนหลับกันไปด้วยความเพลียใครตื่นลุกขึ้นมาเขียกองไฟแล้วก็เพิ่มฟืนเป็นครั้งคราวปู่นั้นก็หลับสนิทไปแต่ก็รู้สึกว่ามีคนมาสะกิดบอกว่าพ่อพ่อตื่น ปู่ก็เลยปลือตาขึ้นมองปู่บอกว่าเป็นวิญญาณของบ่าวกริคนที่ตกปล่องลึกตายแล้วก็มีชายร่างแดงมาส่งนะคะปู่ส่งกระแสจิตไปถามบ่าวกริชเพราะว่าบ่าวกริเป็นวิญญาณไม่มีกายเนื้อเลยไม่สามารถพูดคุยกับตัวเองได้ตามปกติแล้วก็ส่งคำถามผ่านไปทางความนึกคิดค่ะบอกว่ามีอะไรหรือบ่าวกฤิหุ่นพยนต์ที่พ่อตั้งไว้เฝ้าหน้าถ้าเนี่ยแพ้เขาแล้ว เขาเยอะกว่าเขาแข็งแรงกว่าเขากำลังพากันมาทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อหลบก่อนเถอะฉันก็ช่วยอะไรพ่อไม่ได้มาเตือนแค่นี้แหละปู่เนี่ยหนักใจไม่น้อยค่ะคิดไม่ตกว่าเอ๊ะทำไมวิญ ญ, ญาณในถ้ำยังจะตามมาอีก ตามที่บ่าวกรีดมาเตือนปู่ก็เลยตัดสินใจปลุกทุกคนแล้วก็แจกตะกรุดให้คล้องที่ข้อมือทุกคนก็งงๆก็รับปลายคล้องแต่โดยดีแล้วก็หลับต่อความวิเวกวังเวงปกคลุมเสียงจิ้งหรีดเรรายร้องระงมไปทั่วป่ายามดึกแล้วก็ลมพัดมาดังอื้อๆนะคะ ปู่หยิบเอามีดอาคมที่แทบจะไม่เคยเอาออกมาจากย่ามที่ปลายด้ามสลักเป็นรูปฤาษีออกมาพนมมือท่องคาถาก่อนจะปากลงพื้นดินไว้ด้านหน้าถา้ำแล้วก็นั่งรออยู่พักเดียวก็มีเสียงดังตุ๊บลงมากลางลานดินหน้าถ้ำนะคะแล้วก็บอกว่าเอาของคืนไป เสียงปริศนาดังแวบขึ้นมาในสมองปู่ที่หล่นลงมาคือหัวของหุ่นพยนต์ที่ปู่เสกเอาไว้ตั้งเฝ้าหน้าถ้ำด้วยความสังหรณ์ส่วนตัวแล้วล่ะนะคะว่าหุ่นพยนต์เองเนี่ยคงจะสู้กับพวกผีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในถ้ำเนี่ยไม่ได้ก็เลยพ่ายแพ้ถูกตัดเอาเฉพาะหัวมาโยนทิ้งไว้แบบนี้เพื่อเยาะเย้ยปู่ปู่หันไปมองด้านด้านนอกนะคะระยะแสงจากกองไฟปรากฏว่ามีเงาของคนหลายคนค่ะยือนอยู่ แต่ว่าพวกนั้นได้แต่ยืนอยู่ด้านนอกวงอาคมไม่กล้าฝ่าเข้ามาแล้วก็ถึงจะฝ่าเข้ามาได้ก็ต้องเจอกับมีดอาคมของปู่รออยู่อีกปู่บอกว่าตอนนั้นปู่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะสู้ได้แต่ก็ทําใจดีสู้ผีอะค่ะขมิ้งเกลียวกันกลับไปเงาผีตนนั้นในมือเหมือนจะถือดาบคล้ายกับดาบซามูไรอะไรประมาณนี้คือนั่นก็เลยทําให้ปู่แปลกใจไม่น้อยในขณะที่เงาด้านหลังที่ตามกันมายืนนิ่งๆเหมือนรอคําสั่ง ปู่ก็ถามออกไปทางความคิดบอกว่ามึงต้องการอะไรถึงต้องตามมาร่างที่เป็นเงานั้นก็บอกว่าชีวิตของพวกมึงในกลุ่มหนึ่งคนถ้าไม่ขวางกูก็จะเข้าไปเอาชีวิตมันแล้วก็ไปแต่ถ้าขวางกูจะฆ่าทุกคนปู่บอกว่ากูไม่ให้พวกนี้กูพามาอยากลองดีก็เข้ามา ผีถ้ำตัวที่สื่อสารกับปู่เหมือนจะไม่กลัวปู่นะคะปู่รับรู้ได้ค่ะว่ามีรังสีอมตที่รุนแรงมากออกมาจากวิญญาณแล้วก็คาเจรจาผีตนนั้นทําท่าจะง้างดาบแล้วก็จะตะลุยฝ่าเขตอาคมเข้ามาปู่ก็เลยต้องปล่อยควายธนูออกไปสู้ค่ะควายธนูนั้นแข็งแกร่งกว่าหุ่นพยนต์ปู่บอกว่าควายธนูก็ออกไปไล่ขิดพวกผีกลุ่มนั้นเสียงลั่นป่าเหมือนเสียงต้นไม้หักจนทุกคนที่หลับอยู่สะดุ้งตกใจตื่น เรื่องปู่ปล่อยควายธนูผีนี้เป็นเรื่องที่เลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านเพราะว่าคนเห็นและก็สัมผัสด้วยหูตัวเองมาแล้วในคืนนั้นเอากลับมาเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังเสียงการต่อสู้กันจนป่าแตกดังอยู่นานก็สงบไปควายธนูก็พุ่งกลับมาหาปู่ ตัวแค่นิดเดียวเป็นควายธนูที่ทําจากสัมฤทธิ์ผสมมวลสารหลายอย่างนะคะแต่ว่าพ่อเองก็ไม่ได้แจกแจงแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเสียงร้องโอดโอยอันโหยหวนดังไกลออกมาจากเขตพักแล้วก็เงียบไปในที่สุดตอนนั้นทุกคนหลับไม่ลงแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเห็นปาฏิหาริย์อาคมของจริงแบบเต็มตาเรื่องเล่าอันนี้เหมือนนิยายประจําบ้านที่พ่อชอบเล่าให้ฟังก่อนนอนเสมอเวลาก่อนนอนแล้วเราก็ชอบนอนชี้รูปปู่ที่แขวนอยู่ที่ขือบ้าน ปู่พาทุกคนพร้อมเท่ากระดูกที่ตายไปกลับมาสู่หมู่บ้านได้สําเร็จเว้นศพของบ่าวกฤีคนเดียวที่ยังคงเน่าอยู่ในปล่องบนป่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังคงไม่มีใครไปพบปู่ได้แต่บอกญาติพี่น้องของบ่าวกรีดค่ะว่าเอาศพมาไม่ได้เชิญมาได้แต่วิญญาณเป็นการพบกันอีกครั้งก็มีแต่ความเศร้านะคะสําหรับกระดูกของคนทั้ง5้าคนที่เสียชีวิตไปก็ถูกนําไปทําพิธีศพแล้วก็สวดบรนจุไว้ที่วัด เหตุการณ์คืนมาเป็นปกติสุขอีกครั้งปู่เองก็ขอให้ทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยช่วยกันโกโหกคนอื่นว่าไม่มีสมบัติใดๆของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นมีแต่ผีเฝ้าถ้ำเต็มไปหมดใครขึ้นป่าไปเจอถ้ำที่มีต้นเรียงใหญ่อยู่ใกล้ๆอยากเข้าไปเด็ดขาดเรื่องเล่าอาถรรพ์สมบัติผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บนเขาบรรทัดจึงจบลงแค่ตรงนี้ค่ะแต่ว่า บบาไข่คนหนุ่มที่ร่วมเดินทางไปกับปู่ถูกพบนอนตายกลายเป็นศพหัวขาดอยู่กลางทุ่งขณะออกไปสองกบในวันหนึ่งสภาพศพน่ากลัวแววตาของเบาวไข่เลือดลานคล้ายกลัวอย่างหนักก่อนที่ศีรษะจะถูกฟันขาดในทีเดียวเพราะว่าดูจากแผลที่ปรากฏมันบ่งชัดปู่ได้ไปดูศพ บ, บาไข่ด้วยตัวเองปู่ก็รู้ดีว่าใครทาซึ่งในขณะที่ชาวบ้านมาดูศพแล้วโจษจันกันไปต่างๆนานา มีเสียงหนึ่งของชาวบ้านดังแว่วมาบอกว่านี่มันทองคำแท่งนี้มันของญี่ปุ่นนี่ไอ้ไข่เอามาแต่ไหนล่ะ